นะปิยามานะปิยตเอตรชาานิโรติอิังพุะติภิกขเวนิโรโอริยสัจจังยำยำยำยำให้มันฮะเวลาไปท่องก็ท่องง่าย เท่าที่พาย้ำ ม, มานี่ถ้าใครไปท่องก็ได้แล้วเนี่ย <c oughs> หลับตาว่ามันก็เปลี่ยนไปเป็นบทเป็นบทเป็นบทเป็นบทไปในที่อื่นนั่นน่ะในที่อื่นเขาเรียกไปยันใหญ่ <c oughs> เขาไปยันใหญ่ไว้หมดในที่อื่น <c oughs> แต่อันนี้เต็มสูตรเราสวดเต็มสูตรเนี่ยสวดเต็มสูตร <c oughs> อื่นของปุ้ยแสงฉายนี่เขาไปยานเราเคยเห็นอยู่เขาไปไปยานภิยา ม, มานาภิยตินิรุช ม, มานานิรุษติจักขุโสตะสิว่ากายามะมโนมจักขุวิญญาณโสตวิญญาณกายะวิญญาณ พุทธะวิญญาณมะโนวิญญาณเปิยมานาปปิยติเวทะนิรุตชมานานิรุตชะติพระก็ย่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่ อ, อ, อ <c oughs> พธะจักขุพธทธะโนเกปยะรูปังซาตรูปังโสตะ พุทธะโลกพิยะรูปังสาตรูปังขณะสิวหะกายะมโนโพตทธะโลกพิยะรูปังสาตรูปังเอเทสาตันหะภิยะมานาภิยะติเหตันิรุชมานาเนรุชติเขาก็เาเรียกปยานปยานปยานปยาน คมันมีซ้ํามันมีแต่คําซ้ํามันกลายเป็นมันกลายเป็นสูตรมันกลายเป็นบทแต่มันเหมาะสําหรับเรามาท่องเรามาดูเพื่อเพื่ออามาปฏิบตัติเราดูเพื่อปฏิบัติ <c oughs> <c oughs> คือที่เกิดของมันทั้งหมดนี่แหละเราดูไปเถอะกระดุกกระดิกตรงไหนพลิกแพลงตรงไหนมันเป็นเรื่องของมันทั้งหมด ถ้าเพื่อเกิดก็เกิดเกิดเกิดเกิดทั้งหมดเกิดตรงนี้อยู่อย่างนี้ต้องการละต้องการดับดับตรงนี้ละตรงนี้ดับตรงนี้ดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจดับที่รูปเสียงกิริรสพลโทพรธรรมารมณ์ดับที่ดับที่วิญญาณหดับที่พัทสหกดับที่เวทนาห ดับที่สัญญาหกดับที่สัญญาตนหกดับที่ตันหาหกดับที่วิตตกหดับที่วิจารหกสิบหมวดพอดีหกสิบเป็นหกสิบสิบหมวดเป็นกิริยาเป็นอาการของมันเป็นกิริยาเป็นอาการของตันหาที่มันกระดุกกระดิกพลิกแพลงอยู่ในหัวใจของเรา ท่านบอกที่ไปที่มาท่านบอกต้นต่อทั้งหมด mm hmm. อะไรเป็นเครื่องพระเป็นเครื่องยินดีในโลกอื mm hmm. ยังโลเกกินจะพิกขเวพิกโคยังโลเกพิยะตูปังซาตรูปั ง, ปงกินจะพิกเวพิกโค จะคุ้งโลเกปิยะรูปังซาตรูปังเซตตาโลเกปิยะรูปังซาตรูปังฐานะขันธะชิวหากายะมโนโลเกปิยะรูปังซาตุรูปังเป็นที่รักเป็นที่ยินดีกิริยาของความรักกิริยาของความยินดีก็คือกิริยาของมันนั่นแหละมันมันรู้จักไหมมัน เป็นกิริยาของมันน่ะกิริยาของตัณหามันแสดงมันพลิกแพลงมาถ้าเราจะพยายามไปดูทั้งหมดมันจะงงสับสนมันจะงงแล้วดูไปที่ใจของเราดวงเดียวนะเวลาเราจับกิริยาอาการมันจับไปที่ใจดวงเดียวมันอยู่หมดมันถูกหมดไม่งงไม่สับสนไม่ต้องสับสนไม่ต้องงงอืม พูดถึง <c oughs> วิญญาณเนี่ยจะคู่วิญญาณนางโลกปิยะรูปังซาตรูปังโสตวิญญาณนงโลเกิยะรูปังซาตรูปังขณะสิวากายะมโนวิญญาณนางโลเกปิยะรูปังซาตรูปังต่างก็จะหมลริมกายใจเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกตัญหามันจะเกิด ก็เกิดที่ตาหูจมูลกล่างกายใจไม่จะเกิดล้วเกิดที่รูปเสียงกิรธพงศ์ธรมรมะธรรมารมณ์ปจจมานาปัจจิติกิรสมานาวินิสตินิวิสมานานิวิสติหยิยมานาภิยติ นิรุตชมาในนานิรุจจติมันดับก็ดับที่นี่เมื่อเกิดก็เกิดที่นี่มันดับก็ดับที่นี่เพราะที่มันแสดงออกมันแสดงออกตรงนี้หากแต่ว่ามันต่างกิริยาอาการของมันเท่านั้นเองดช่องไหนมันเอาไปกินได้หมดว่างั้นเถอะเหมือนกับใยแมงมุมที่มันมีใยระยองในยางอยู่รอบข้างรอบข้างใยมันหกสิบใยเนี่ย ตัวมันเมันอยู่กลางมันหมอบอยู่กลางตัวมันเองตัวตัณหาเนี่ยถ้าถ้ามันได้ครองใจแล้วนะถ้ามันได้ครองใจมันอยู่ตรงกลางมันอยู่มันอยู่ตรงกลางใหญ่มังมุมอ่ะไอ้ตัวใหญ่มังมุมที่มันดึงเกาะดึงเกาะดึงเกาะข้างข้างเนี่ยหกสิบเส้นมีอะไรมาถูกเส้นไหนปั๊บมารู้หันปั๊บวิ่งข้าปั๊บมันเกิดข้างหลังเส้นไหนปั๊บ มันอยู่ศูนย์กลางนี่มันรู้จักหมดหันปับ๊บวิ่งปับบป๊บข้าปั๊บความรู้มันเอาตัวเดียวมาใช้ทำอะไรพยายามยื้อแย่งจากปากมันเนี่ยพยายามยือ้อแั่งเอาสติธรรมเอาปัญญาธรรมเอาวิญญาณธรรมคัณติธรรมโสรจจะธรรมความอดความทนมาแย่งจากปากของมันปากของตัณหาเนี่ยแต่ถ้า ถ้าเขาได้ครองอยู่บนหัวเราแล้วเนี่ยเหมือนใหญ่มึงมืมันครองอยู่บนนั้นหละมาทางไหนรู้หมดหันปั๊บคาปุ๊บหันปั๊บขาปุ๊บอืมมันเจ้าตัวเดียวนั่นแหละเวลาเราจะจับเราจะเราจะไปจับสมัยเส้นมันน่ะเราจับตัวมันเลยสิเวลาเราจะจับมันเวลาเราจะฟาดหัวมันน่ะแล้วก็ฟาดหัวตัวมันเลยสิ ต, ตัวมันที่มันรู้อยู่เนาะมันหมอบอยู่นั่น น, ออน่ะฟาตัวนู้นเลยเราจะไปะตัดเส้นมันทําไมออตัดเส้นก็คืออะไรก็เอามันอะไรลราไปตัดฟังไปแล้วมันงงมันสับสนเราพยายามสร้างอุปมาอุปไมยให้เกิดขึ้นในใจของเราเราจะไม่งงเราจะไม่สับสน กิยาการของตันหามเกิดด้วยเหตุที่เราไม่ค่อยอยาสนใจเรื่องเหล่านี้วันคืนล่วงไปอันไหนน่ายินดีเราก็ยินดีอันไหน น, น, ไ น, น, ไห น, หน่าเพลินใจเราก็เพลินใจอืมเราไม่รู้ว่ามันสะสมมันสั่งสมอบรมอยู่ข้างในแล้วไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของอันไหนไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของธรรมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของกิเลสหามันวิ่งรับทุพตภูริวิ่งรับทั้งวันอืม ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกิริยาของกิเลสไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นกิริยาของธรรมมันเอาหมดตัณหามันวิ่งรับเอาหมดจิตมันวิ่งรับเอาหมดตัณหาป้อนเข้ามามันก็วิ่งรับเอาทำป้อนเข้ามามันก็วิ่งรับเอาก็อาศัยตัวมันเองนั่นแหละเป็นตัวผลิตผันแปรรอบตัวรอบด้านที่จะทําให้เกิดอะไร แต่สิ่งที่มีพลังอย่างหนึ่งก็คือคุณสมบัติของจิตกิริย า, าการของจิตนั่นแหละสติธรรมปัญญาธรรมเป็นกิริย า, าการของจิตเป็นพฤติกรรมของจิตอาศัยจิตเกิดขึ้นอาศัยจิตตั้งอยู่แล้วอาศัยก็มันอาการของมันเหมือนกับอาการของฝ่ใยนีนย่ที่เราเห็นเป็นสีขาวๆเป็นหลอดยา ว, ยาว วความสว่างส่องมาถึงตัวเรานี่นี่คืออาการของไฟตัวธาตุไฟแท้ๆเราเราไม่เห็นเนี่ยเราเห็นแต่อาการของมันมเราเห็นแต่อาการของมันเหมือนอย่างลมเนี่ยเราก็ไม่เห็นเพราะมันไม่ใช่วิสัยของตาแต่มันมาสัมผัสตัวเราเรารู้นี่ลมมันเป็นอาการของลมเรามองไม่เห็นแต่อายสัมผัสได้โดย โ ด, ย ก, ดยกายไฟก็สัมผัสได้โดยกายมือไปแย่ดูร้อนไฟกิริยาอาการของมันดินก็คือทั้งดุนทั้งดุน้นทั้งก้อนเนี่ยแหละดินตรงไหนก้อนแข็งแข็งแค้นแค้นแข็งแข็งนั่นแหละดินอแต่มันก็มารวมตัวกันอยู่นี่แหละอยู่ที่กายของเราเนี่ยแหละเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟ แต่มันอัศจรรย์มันแปลกประหลาอัศจรรย์ตรงที่มันมาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนนี่ฮะมันมาเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนอาศัยกรรมตกแต่งมาแล้วกรรมมาปั้นเป็นหัวปั้นเป็นมือปั้นเป็นลําตัวปั้นเป็นขาสองขาเนี่ยกรรมมันปั้นมาเรามาเกิดในสายกรรมของมนุษย์เราก็ต้องได้อย่างนี้ ใครหนักเข้าไปทางทางสตรีเพศก็มีเพศอีกอย่างหนึ่งใครหนักไปทางบุรุษเพศก็มีเพศอันหนึ่งมันหากมันสร้างมาเพื่อเพื่อมันเจริญเผาพันธุ์ของมันเองมันสร้างมาเพื่อมันเจริญเผาพันธุ์ของมันเองไม่งั้นมันก็สูญพันธุ์เทียบไปเหมือนต้นไม้เหมือนพืชพันธุ์ข้างนอกมันก็เหมือนกัน มันสร้างเผ่าพันธุ์สร้างรวงรังวงวานวันเครือของมันเองมันสร้างขึ้นมาเองถ้าไม่สร้างมามันก็สูญพันธุ์ถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้ามีวิธีทําให้มันสูญพันธุ์ได้เห็นไหมเอาวิธีการที่อยู่ข้างในนี่แหละข้างในจิตนี่แหละเอาตัวสติทำเอาตัวปัญญาธรรมมาพิจารณามาคนา้นคว่ายุดจิต รู้จักวิธีหยุดจิตไม่ให้มันนึกมันคิดมันปรุงไม่ให้มันสัญญาอารมณ์ของตัณหามันดึงไปใช้หยุดจิตหยุดเฉยๆไม่ได้ภาวนาให้มันหยุดให้มันอยู่กับอารมณ์มันเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดจิตไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่ให้มันมีกิริยาอย่างอื่นให้มีแต่กิริยาของธรรมีพิธีการจากนั้นแล้วก็ดูกําหนดย้อนดูไป ยนดูไปอะไรคืออะไรกันแน่ด้วยเหตุที่เราไม่เคยย้อนย้อนดูเราไม่เคยคลี่คลายดูเราก็หลงหลงยึดในสิ่งที่เห็นว่าโน้นดีอันอนี้ดีหลงผลในในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีความโน้มเอียงของจิตของคนเราเนี่ยมันโน้มเอียงตั้งแต่ไหนมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่อะไรมา จิตของเราชอบอ่อนนิ่มนวนสลสวยไม่ชอบแข็งกระด้างไม่ชอบขัดชอบน้อมไปมโนมโ น, ปมโนปแปล ว, ว่าน้อมน้อมน้อมเสียงที่อ่อนเสียงที่นิ่มดูแต่เสียงดนตรีเพ้อหูนี่เพิ่มตามไปเลยคลึกขนองไปตามไปตามเสียง เพราะเสียงด น, นตรีมันเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคนดีๆเปิดเพลงโศ ก, กให้ได้ยินได้ฟังเนี่ยร้องหม่มร้องไห้ขึ้นมาทันทีจิตมันน้อมไปมันสร้างจินตนาการมาเพื่อเพื่อเข้ากับบรรยากาศของมันในขณะเดียวกันมีสิ่งแข็งกระด้างไปผุดขึ้นไปขวางขึ้นมันขัดขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะ รกัรกรกักรักชอบชอบชอบชบอบต้องการต้องการต้องการยินดียินดียิน ด, นดีมีคนมาขัดปั๊บปฏิฆะแปลว่าขัดแล้วขัดใจแล้วมีใครมาขวางปับ๊บขัดใจขึ้นมาทันทีขัดขัดใจโกรธขึ้นมาทันทีเกิดโกทะโกทะแปลว่าโกรธโทะสะทุศร้าย โกทะโกรธโทสะพทัทศร้ายรวมไปถึงอาฆาตรวมไปถึงพยาบาทจองล้างจองผลานรวมไปถึงจองเวรจองกรรมดูสิมันยืดยาวไปไม่จบนะถ้าปล่อยให้มันทํางานแลนะ้วเนี่ยตัวมันเองแหละมันทํางานไม่รู้ไม่รู้สึกตัวเราไม่เคยคิดไม่เคยอ่านไม่เคยพิจารณาเราไม่รู้สึกตัว โดยจริตนิสัยก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละชอบใจยินดีในสิ่งที่ชอบใจยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็นั่งสังสมสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ดีก็ผลักออกไปผลักออกไปจนกลายเป็นจริตกลายเป็นนิสัยกิเลสในใจมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, ขนแข็งกระด้างมาถึงนิสัยใจคอมาถึงอัธยาสัยใจคออืม ทังแข็งทังกระด้างรวมไปถึงกิริยากายแข็งกระด้างรวมไปถึงกิริยาวาจาคําพูดแข็งกระดา้านแข็งแข็งแข็งหุ่นหุ่นขาดขาดห้วนหุน่ห น, นไม่ต้องการหุน่นหุน่นแล้วยังไม่พอทํำสาเนียงให้หุน่นหุ่อีก ไม่ต้องการไปพ้นไม่ต้องการทำหุวนหุวนแข็งกระด้างไม่อ่อนนี่มไม่สละสลวยไม่เป็นมัทุรมธุรสรสของน้ำผึ้งไม่เป็นมัทุรสไม่เป็นปิยรส ไม่เป็นปีโยรถไม่เป็นมะทุรถมะทุรวาจาวาจาที่ประดุดน้ำพึง่งวาจาที่อ่อนนิ่มเป็นวาจาที่ผูกใจท่านจึงจะท่านจึงจะทำเอาไว้ท่านจึงจะทาเอาไว้ อ, อะไรนะสังขารวัตถุทานทานเข้าไปเพื่อมัดใจไว้ใจมันถูกมัดนะทานพอให้ทานเข้าไปใครเป็นคนรับทานนะั่ะถูกมัดแล้วมัดเลยแหละทานมัดใจละเครื่องมัดใจล ปิยะวาจาวาจาเป็นที่รักเนี่ยมัดและถูกมัดแล้วมีใครบ้างชอบพูดกระทุ่งกระแทกเดกดันชอบด่าทอพูดจาธยาบขายไม่มีพูดจาเป็นที่รักปิยะวาจา <c oughs> <c oughs> มัดใจไว้แล้วอืมช่วยนู่นช่วยนี้ช่วยหนักช่วยเบาช่วยยาวช่วยสั้น ช่วยหยิบช่วยดึงช่วยลากช่วยถูช่วยทำสารพัดอัตจริยาปร ะ, ประโยชน์ถูกแล้วถูกมัดใจแล้วถูกมัดใจแล้วป ร, ประโยชน์ผู้ใหญ่เอาไปใช้กับผู้น้อยอผู้น้อยก็ถูกมัดใจผู้น้อยเอาไปใช้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถูกมัดใจมัดใจอะไรเพราะเขาประพฤติประโยชน์ด้วย นี่พุทธเจ้าเป็นธรรมะพุทธเจ้าทันสอนเยเป็นสังหาวัตถุสมานัตตาความหนักแน่นทำตัวเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยเป็นอัธยาศัยที่งามมัดใจแล้วไปทำให้ใครมองเห็นว่าทำตัวเสมอต้นเสมอปลายคนนั้นถูกมัดใจไ้แล้วใจมันมัดมัดม ด, ด้วย เรื่องราวที่ดีฉะนั้นนะแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันผลักทันทีอสมมติแบบทานอยากให้ท่านทานไปขอท่านไม่ให้ถ้าขัดใจทันทีทานไปขอขอปั๊บท่านไม่ให้เนี่ยขัดใจทันทีทั้งทั้งที่อยากได้นะขอแล้วไม่ให้ขัดใจทันทีอ วิยาวยจ า, าวิยวิจาพูดกระทุ้งกระทแทกแดกดันพูดไม่ไพเราะพูดขาดสัมมาคาระบผลักทันทีผลักทันทีมันไม่เกาะเด้มันสลัดออกเลยแหละมันไม่เกาะใช้ให้ทำไม่ทำนี่ ใช้ทำไม่ทำสลักทันทีขาดใจทันทีทำตัวขึ้นๆกลางๆขึ้นๆลงๆเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงหมดความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วสิพอหมดควาไมไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็หมดอะไรตายอย่ากละผลักออกไปและผลักทิ้งหละคือมีแรงดูดกับแรงผลักนี่แรงดูดกับแรงผลัก ถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็คืออ่ภิญญามานาภิยตินิรุชมานาเนรุชติละปล่อยวางตรงนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมละภิยามานาภิญตินิรุชมานาเนรุชติอืแต่ถ้าเป็นเรื่องของเกลเอ็ปล่อยให้มันเกิดอุปัชฌมานาปัจจติ วินีสมน า, านิวีสมน า, านิวีสติใ่เรื่องของสิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในใจของเราอะไรมันไปอยู่ตรงไหนมันไปอยู่ได้ยังไงมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นก็ตัวมันเองตัวมันทั้งดุนที่มันยังไม่ได้แก้ไขไม่ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขไม่ได้ถูกดัดแปลงไม่ได้ถูกซักฟอก ไม่ได้ถูกฝึกไม่ได้ถูกซ้อมไม่ให้เห็นคุณไม่ให้เห็นโทษเคยทําเคยติดเคยชอบใจมาใอย่างไมันก็ทําอยู่อย่างนั้นอืเพราะฉะนั้นสิ่งเห <c oughs> ล่านี้แหละกลายมาเป็นความประพฤติกลายมาเป็นจริยธรรมกลายมาเป็นความประพฤติซึ่งพวกเราก็ดูไม่ออกเราดูแต่ผิวเผินเราดูแต่ดอกแต่ใบแต่ผลก็ <c oughs> <c oughs> เราไม่เคยดูไปถึงลำตน้นถึงรากถึงเงา้าว่าคืออะไรเป็นอะไรเวลาเราต้องการทําลายมันแ ล, แล้วไปทําลายทาี่ข้างบนตัดที่ข้างบนตัดที่ข้างบนข้างล่างดันขึ้นมาอีกตัดข้างบนข้างล่างกดัน ข, ขึ้นใหม่ตัดข้างบนข้างล่างดันขึ้นใหม่ยิ่งทําไปก็ยิ่งเหลือบา่ากว่ารงิะพอยิ่งตัดไปต้นมันยิ่งอ้วนยิ่งตัดไปต้นมันก็ยิ่งอ้วน เพราะมันโตมันโตไม่ได้มันก็มาสร้างรากเง้ามาเนี่ยรากเง้ามันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งโตมันสร้างเป็นลําต้นไม่ได้มันก็เง้ามันก็ยิ่งโตยิ่งโตยิ่งโตมันก็ยิ่งอ้วนเราตัดที่ข้างบนมันเหมือนเงาของเครือเง้าของไม้ของอะไรบางอย่างที่เราต้องการให้มันหมดไปเนี่ยแล้วก็ฟันที่ข้างบนไม่เคยขุดลบลงไปข้างล่าง เพราะฉะนั้นักจริยธรรมพวกเราเรียนรู้แต่ข้างนอกเรียนรู้แต่ผิวเผินเราไม่เคยหย่อนมาดูนี่คือต้นตอแท้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันนี่เรื่องของจริยธรรมที่เกิดข้างมันที่ดับข้างมันเกิดเกิดตรงนี้ดับก็ดับตรงนี้ไม่เกิดที่อื่นเกิดตรงนี้ดับตรงนี้ อาศัยจิตดรงเดียาศัยฉากเดียวกันฉากเคยจิตนี่นแหละยินดี ค, คือเอาใจดีๆนี่แหละมายินดีเวลามีอะไรมาขัดเอาใจดีๆนี่นแหละมาขัดใจดวงนี่แหละมาขัดมันยังไม่รอบมันยังไม่ฉลาดไม่ฉลาดพอทําความรู้สึกเห็นเฉพาะเห็นสักตัวเห็นรู้สักตัวรู้ไม่ไม่ให้เวทนาเกิดขึ้นสุข กเวทนาไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายกับสุขกเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนานี้มันเป็นเกณฑ์ที่มันเกิดขึ้นจากการสัมผัสของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันเป็นเกณฑ์ของมันมันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันหนึ่งยินดีสองยินร้ายสามไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่มันน้อมนอมเอียงเอียงไปเพื่อยินยินดีน้อมนอมน้อมเอียงเอียงไปเพื่อจียินร้ายมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกกลางต้งนั้นมันไม่อยู่ เดี๋ยวมันก็เอียงซ้ายเดี๋ยวมันก็เอียงขวาท่านั้นแหละแต่ถ้าเราทําจิตให้รู้เท่าเนี่ยแหมมากลายเป็นธรรมขึ้นมาโมหะครอบไม่ได้แ้นที่จะยินดีไม่ยินดีมองเห็นว่าจิตเป็นจิตสิ่งของที่เห็นเป็นสิ่งของที่เห็นสมมติยินดีปั๊บเอาอะไรไปยินดีเอาจิตไปยินดีกับของพอยินดีขึ้นมาปั๊บมันก็อยากได้ ยินดีปั๊บมันก็อยากได้ยินดีพอใจรักใครยึดเข้ามาถือเข้ามายินดีพอใจอยังงั้นพระอริยเจ้าท่านก็ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายท่านไม่รู้ว่าดีไม่ดียังงั้นเหรอไม่ใช่ท่านรู้หมดท่านรู้ว่าเราก็เป็นเรามันกับเป็นมัน <c oughs> แต่พวกเราเนี่เป็นก้อนเดียวกันเห็นอะไรเป็นก้อนเดียวกันหมด เป็นเราทั้งหมดเอามากรรมไว้หมดถ้าเห็นเงินก็เออเออเป็นเงินเห็นทองเออเป็นทองรู้อยู่ว่าเป็นเงินเป็นทองรู้อยู่ว่ามีค่าแต่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ซื้อฟื้ซื่อทือๆเหมือนคนเสาไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่รู้หมดทะลุปรุปร่งหมดแต่ไม่เอาดีก็ไม่เอา ทราบแล้วก็ผ่านไปไม่ดีก็ไม่เอาทราบแล้วก็ผ่านไปโอ้สักจะว่ากระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วก็ผ่านไปไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่กระทบรู้ว่ากระทบแต่ก็ผ่านไปมันไม่มีอารมณ์อะไรสักอย่างซึมทราบลงไปในใจของท่านท่านจึงเปรียบเหมือนใบบัวน้ํากลิ้งบนใบบัว น้ำไม่ซึมลงในใบบัวมันถึงทํามมัถึงกลิ่นลงบนใบบัวเป็นคําอุปมาของเขาปกติน้ํามันไม่ซึมลงบนใบบัวเพราะผิวใบบัวมันละเอียดมากมันละเอียดน้ํำนี่ม้วนเป็นก้อนเลยกลิ่งทําไมไมันถึงกลิ่งแปลกดิมกันนะน้ํากลิ่นบนใบบัวไปดู ไม่เชื่อลองไปดูที่ใบบัวแพร่ดิควักน้ำสากปังปั้งปัปังปังป้งปังป้ ง, ง, ง, งมันวิ่งมรวมกันเป็นก้อนคลิ่งไปคลิ่งมาท่านเอามาเปรียบเทียบกับจิตของพระ อ, อริยเจ้าอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายมันไม่ซึมซับเข้าไปในจิตของท่านท่านรู้หมดแต่ไม่เอาไม่ยึดไม่เอาทั้งนั้นเลยเราศึกษามาตรงนี้ให้มาก เราได้ปัญญาเราได้ข้อคิดเราได้ความรู้เราได้ข้อปฏิบัติเราได้แนวปฏิบัติทำให้เราไม่ห่างจากตัวเราไม่ห่างจากาาจากายของเราไม่ห่างจากจิตของเราไม่ห่างจากตาไม่ห่างจากหูไม่ห่างจากตาไม่ห่างจากรูปทำความรู้อยู่เฉพาะตาทำความรู้อยู่เฉพาะรูปไม่ห่างจากวิญญาณรู้กำหนดเฉพาะจิตอย่างเดียวก็คือวิญญาณกำหนดเฉพาะจิตอย่างเดียว จะมาสัมผัสด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยเลี้ยวด้วยกายด้วยใจก็คือวิญญาณรู้แจ้งและเดี๋ยวเราจะกําหนดให้รู้แจ้งทางอะไรในร่างกายของเราเรากำหนดยับยักย้ายผันแปรไปได้หมดอกําห<ม>นดมาที่ผิวผิวกายของเราอ่ากำหนดมาที่ผิวกายของเรามดไตยักยักยักยึกยัดมดมันไตมันต่อมันนี่ โพธพะปิญญาหนังรู้แจ้งทางกระทบโพธพะกําหนดย้อนมาที่จิตจิตรู้รู้อารมณ์มโนปิญญาหนังมโนปิญญาหนังโลเกปิยะรูปังซาตรูปังโพธพะปิญญาหนังโลเกิยะรูปังซาตรูปัง ไปดูดูให้เข้าใจเอามาถือเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติอ้าพอสมควรแก่เวลาและเอาขอนิ่ใส่ซะอืม